รูบาอาจารย์เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกสอนลูกศิษย์โอ้โหสำเร็จมรรคผลไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ตัวเองเปล่าเปล่าจริงๆพพระพุทภาคตัดเรียกเลยพ่อใบลานเปล่าไม่เท่านั้นแหละเคยได้ยินสูตรแค่ว่ารับจ้างเลี้ยงวัวัหมแล้วนาอะไรครับก็คือถ้าหากว่าประเดียนแล้วไม่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้ไม่ได้เจริญกุศลจริงๆก็ มีความรู้ความสามารถคอยแนะนําสั่งสอนคนอื่นก็เหมือนกับคนเลี้ยงวัวอ่คนเลี้ยงวัวเนี่ยนะก็จะมีค่าจ้างใช่ไหมค่าจ้างเลี้ยงวัวตอนเช้าก็ไปเอาวัวออกมาเย็นก็ไปส่งวัวเสร็จแล้วก็รับค่าจ้างอส่วนผู้ที่ศึกษาเรียนรู้คําสอนของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่สา ม, มารถที่จะปฏิบัติได้ก็เหมือนกับคนรับจ้างเลี้ยงวัวแล้วก็ คือขนาที่เลี้ยงก็คือการว่ากล่าวสั่งสอนแนะนําผู้อื่นเนี่ยก็เหมือนกับกําลังเลี้ยงวัวเหมือนกันเสร็จแล้วก็จะได้อันนี้สองก็คือพวกสักการะพวกปัจจัยสีน้าปานะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอ่ะ น, นะสักการะพวกนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับค่าจ้างเลี้ยงวัวแต่ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครต<ม>คือไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลที่เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคนะมันก็ได้แค่อยู่ปัจจัยสี่อยู่แค่เนี้โอ้ถ้าเราได้แค่น้ําปานะนี่แย่นะครับทุนยับเยินเลยเนาะ เรียกว่าสูตรรับจ้างเลี้ยงวัวเลอืรับองคมานี่คือท่ากันเอ้ยเราเลี้ยงวัวหรือเปล่าเนี่ยมันไม่แน่ของนี้ไม่แน่จริงนะไม่ได้แกล้งพูดนะไม่แน่จริงๆนะท่านที่นั่งๆ่งอยู่เนี่ย เ, เพราะว่าวัตามันอีกยาวไกลอะ่ะอ่าอย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยครับวันนี้มาเอาเอ่อพระสูตรง่ายๆนะครับ <c oughs> ความจริงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้พักเทกรักษสูตรเนี่ยความจริงเป็นสูตรที่น่าสนใจมากเลยนะครับ ให้เหมือนกับพัทเทศกรัสสูตรนะครับก็บุคคลใดนะครับเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแขนในธรรมะนั้นได้ก็พึงเจริญให้ให้ปรุโปร่งเถิดนี่นี่ท่านเมื่อวานทศานอาจารย์ได้อธิบายว่านี่เป็นการเจริญวิปัสสนาเป็นการพิจารณาขันห้าในชีวิตประจําวันท่านบอกว่าเจริญแค่แต่วันนี้แหละใครรู้จะใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี่นะครับท่านเตือนขณะนี้เนี่ย ถ้าหากว่าเราเจริญเป็นนะครับเราเราก็มีโอกาสเจริญได้ในฐานะที่เราเป็นคารวะถ้าพระภิกษุนั้นนะท่านจะมีโอกาสเจริญได้ตลอดเก <the S 1> ือบตลอดเวลานะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมประเภทของท่านให้แต่ของเราเนี่ยนะฮะเป็นคารวะนี้นะฮะก็เจริญได้ตามการละถูกไหมครับก็เจริญได้นะครับไม่ใช่ว่าเจริญไม่ได้เจริญได้ตามการละนะครับก็มีเวลาที่ให้เราเจริญได้ถ้าเราเข้าใจนะครับ สูตรประวันเนี่ยเป็นสูตรเรื่องการพิจารณาขันห้าโดยตรงเลยะนะครับถ้าท่านสามารถนะเห็นแจ้งธรรมะคือตัวลท่านเห็นรูปนะฮะถ้าท่านเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นได้อยู่มหมเพราถ้าเกิดท่านเห็นรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีเนี่ยสังขารก็ดีเนี่ยโดยท่านสามารถเห็นหรือพิจารณาในลักษณะที่เป็นปริญญาเนี่ยนะตั้งแต่ยาแต่ปริญญาไปเรื่อยเนี่ยนะครับเอายาตปริญญาก่อนเลยเนี่ย ถ้าสามารถพิจารณาได้อย่างนี้นี่นะครับนี่ท่านเริ่มพิจารณาท่านเริ่มเจริญนิัพสนาได้แล้วนะครับแต่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องว่าเราต้องมาเรียนปัจจัยทุกวันเสาร์ให้เข้าใจนะครับเพราะเรื่องใหญ่มากเลยนะถ้าเราจะมีมีปัญญาที่จะอพิจารณามีปัญญาที่จะพิจารณาในขั้นยาตปริญญาได้เนี่ยนะปัจจัยนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะครับถ้าไม่มีปัจจัยนี่ก็ไม่รู้จะพิจารณาอย่างไงเหมือนกันนะครับนะครับ เพราะว่าแค่รูปคําเดียวเช่นรูปเช่นสีเสียงกลิ่นรสอะไรนี่นะครับถ้าเมื่อเป็นอารมณ์ในการเจริญิปัญนาเนี่ยเราต้องรู้ปัจจัยของมันหมดเลยนะครับหรือว่าจิตที่เป็นโลภะโทสะจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลอะไรทั้งหลายเนี่ยตัวนี้ก็ต้องพูดถึงปัจจัยมันอีกเยอะแยะเลยนะครับจึงจะเป็นเรื่องของการที่จะพิจารณาโดยญาตาปิญญาเนี่ยครับ ที่เราสามารถเจริญกุศลทำกุศลได้อย่างต่อเนื่องเป็นสปายะในการเจริญกุศลเราจะเอาสิ่งนั้นมาตั้งส่วนเงื่อนไขอื่นๆนั้นก็พิจารณาเป็นประเด็นรองลงไปดังนั้นการพิจารณาในเงื่อนไขอื่นก็เพื่อที่จะเป็นสปายะอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเกื้อกูลในการเจริญกุศลเพราะรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตอยู่ได้ด้วยกุศลถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นผลของกุศลเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ คือชีวิตของคนที่ไม่มีกุศลก็เหมือนกับชีวิตของคนที่ตายแล้วก็เหลือแต่จุติจิตที่จะเกิดเท่านั้นเองทีนี้เมื่อจุติจิตเกิดแล้วถามว่าจะอยู่ที่ไหนคือตอนหลังเมื่อเจริญมรรนานุสติมากขึ้นจะทาให้เห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงอะไรสักอย่างเดียวแล้วก็สิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเรื่องที่เราคิดแต่ละวันก็เป็นกรรมไม่เป็นบุญก็เป็นบาป วิบากและกรรมมชรูปเหล่านี้ก็ไม่มั่นคงไม่ถาวรเหมือนกระต้นกล้วยเอาคำหนึ่งเป็นสาระเป็นสารไม่ได้สิ่งที่ทําคําที่พูดก็เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างถ้าเมื่อพูดอย่างนี้แล้วมันเป็นกรรมอยู่ตลอดเวลาทํำยังไงเราจะสามารถเลือกที่จะเจริญกรรมที่ดีต่อไปได้นึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าถ้าท่านกลัวต่อทุกข์ท่านจะได้ทําอกุศลถ้าหากว่าทําบาปทําอกุศลอยู่ถึงท่านจะเหาะ อ, อยู่บนท้องฟ้าท่านก็ไม่พ้นจากความทุกข์ นั่นแหละอยู่ตรงไหนก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ไปได้อันอะไรที่เป็นกุศลเป็นสาระจริงๆก็ควรที่จะสแสวงหาส่วนนั้นนึกถึงข้อความในปาสราสิสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงกล่าวไว้บ่อยว่าตัวเราเองนั้นเป็นผู้ที่มีความเกิดความแก่ความตายมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเนี่ยเรามาสแสวงหาอะไรพอมาศึกษาพระธรรมคาสอนเข้าเรานี่มีทิมพึ่งแล้ว เราไม่กัมพาเหมือนเมื่อก่อนละคือถ้าเมื่อก่อนนี่เห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยความกัมพาตลอดเลยไม่มีไม่รู้ว่าเป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรพอมาศึกษาคําสอนเข้าก็เริ่มเห็นเป้าหมายก็เริ่มมามีพระธรรมเป็นสารณะมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแล้วก็มีพระสงฆ์เป็นสารณ ะ, ะเมื่อก่อนนี้เราอยู่กับบุคคลซะส่วนใหญ่ทีนี้ท่านเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเอ้เราก็ไม่ค่อยสบายใจ เมื่อไม่ค่อยสบายใจก็ทําให้ใหม่ๆนั้นความเข้าใจในเรื่องไตรสรณคมของเราเนี่ยงอนแง่นคลอนแกลงเต็มทีถ้าไม่ได้ศึกษ า, าศาสนาหรือว่าศึกษาคําสอนจริงๆคงเปลี่ยนคงไม่นับถือาศาสนาเลยถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจในเรื่องพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์จริงๆเนี่ยคือใครเริ่มการเปลี่ยนแปลงละเหมือนกับทุกวันเนี่ยนะเมื่อมีข่าวหนังสือพิมพ์ออกมาวิจาร์เกี่ยวกับภิกษุบุคคลรูปใดรูปหนึ่งเข้าคนก็เข้าใจว่า พระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ซึ่งทําให้มาศึกษาตรายสารณาคมชัดขึ้นแล้วว่าพระสงฆ์จริงๆเนี่ยท่านเป็นใครท่านคืออะไรนะและอีกอย่างหนึ่งเราจะได้มั่นคงในสาระของเราไม่ทราบ ว, ว่าที่เรามาเรียนกันแต่ทุกวันอย่างเงี้ยเข้าใจในเรื่องสารณาคมมากขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบนะอย่างผมครารวะเนี่ยพอจะมีอะไรที่ทําให้จิตมันเป็นอกุศลน้อยห่อยไหมเพราะว่าปกติเนี่ยเราเนี่ยจิตของเราเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอกุศลถ้าส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยจะมีลู่ทางไหมครับที่จะทําให้กุศลมันเพิ่มขึ้นบ้างเอาไว้ลงเยอะก็ได้ครับนั่นแหละก็ศึกษาธรรมะจนถึงกับว่าสงเคราะห์เข้ามาในชีวิตตัวเองได้แล้วก็ตรงนั้นแหละเราจะเป็นคนที่รู้เองว่าเราควรจะทําอะไรคําสอนในผู้าศาสนาไม่ได้มีสูตรเดียวเหมือนกับยา ที่ที่เป็นโรงพยาบาลชั้นหนึ่งจริงๆเนี่ยจะไม่ได้มียาแค่ขนาดเดียวแต่จะมียาที่เหมาะกับโรคภัยไข้เจ็บสารพัดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราจะต้องเรียนรู้จนเข้าใจชีวิตของเราเองแล้วเรารู้ว่าควรจะมีธรรมะหมวดไหนที่ที่ใช้ในชีวิตในขณะนั้นๆั้นอันไนอันโรคภัยไข้เจ็บนั้นที่มีในชีวิตของเราบางครั้งแค่ต้องการแค่ยาทาใช่ไหมบางครั้งเนี่ยต้องยาฉีด ธรรมะก็เหมือนกันมีหลายระดับไม่ได้ว่าระดับวิปัสนาอย่างเดียวหรือว่าระดับทานอย่างเดียวเพราะว่ามงคลสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเจริญที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไว้ตั้ง38อย่างนั้นสามอย่างนั้นจึงไม่มีสู่ตายตัวถ้าเราเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่มันก็มีธรรมะเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่เมื่อเราเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ก็มีธรรมะเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เมื่อไปเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาครอบครัว ลูกน้องก็มีธรรมะประเภทนั้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับสมณะพราหมณ์นักบวชก็มีธรรมะเกี่ยวกับ น, นักบวชนั้นจึงไม่มีสูตรตายตัวสิ่งที่ตายตัวที่สุดก็คือทําอย่างไรจิตจึงจะเป็นกุศลในขณะนั้นๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นสําคัญที่สุดก็คือดึงคําสอนหรือว่าสงเคราะห์คําสอนลงมาในชีวิตให้ได้ว่าคําสอนจริงๆของพระผู้มีพระภาคที่เราเอาเป็นสารณะเนี่ยอยู่ในส่วนไหน อ, อท่านคงจะ มาสอนเราเรื่องการเจริญเมตตาการเจริญอสุภะการเจริญมรณานุสติเป็นพื้นของเราเนี่ยคาราวารเนี่ยถ้าเราเจริญเป็นเนี่ยกุศลจิตเราจะมีเราจะมีได้มากกว่ากว่าที่เราเจริญไม่เป็นอาจารา น, นะะในในชั้นต้นนี้ก็<ม>ให้มีพื้นฐานเรื่องของไตรสารณคมให้ให้แน่นแฟนโดยการศึกษา เรื่องไตรสรณาคมโดยแง่มุมต่างๆ น, นะโดยแง่มุมต่างๆเช่นคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเข้าใจท่านจริงหรือเปล่ามันก่อนอนานและหลายปีนั่งสนทนากับเพื่อนสององค์สมมติเนี่ยเรามองเห็นต้นไม้เนี่ยคนศาสนาอื่นเขามองเห็นไหมต้นไม้เนี่ยเห็นไหมเขาก็เห็นเรานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต่างอะไรจากศาสนาอื่นมันต่างกันไหม แต่ว่าจากคําถามที่ที่ถามเองขึ้นมาครั้งนั้นก็ทําให้มาคิดบ่อยมาคิดบ่อยขึ้นว่าไอ้ถ้าเรามองเห็นสาวอย่างเนี้ยคนถึงไตรสารณคมคนมีศาสนากับไม่มีศาสนาแตกต่างกันไหมถ้ามันต่างมันต่างกันยังไงนั่นแหละต่างกันไหมยอมว่าต่างไหมต่างยังไงนั่นแหละต่างตรงเท่ความรู้สึกนึกคิด คือคนทั่วไปเนี่ยนะเฉพาะเวทนาเนี่ยทุกคนก็มองเห็นเวทนามีแค่สามใช่ไหมทางใจสุขทุกข์และอุเบกขาความคิดอะบางคนก็เป็นความคิดที่เป็นกุศลบางคนก็ความคิดเป็นอกุศลแม้แต่กุศลกุศลบางอย่างก็มีปัญญาประกอบบางอย่างก็ไม่มีปัญญาประกอบคนที่ถึงไตรสารณาคมสา ม, มารถที่จะมองเห็นอะไรด้วยกุศ ล, ลจิตที่มีปัญญาประกอบ เช่นในการพิจารณาเห็นสีอย่างนี้พิจารณาสีจะพิจารณาสีเลยไปหาสมุดฐานของสีด้วยแม้แต่ว่าสีนั้นจะเป็นสีของวิบากสีของกรรมมชรูปก็จะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของกรรมมชรูปต่อไปอีกลงในรายละเอียดเรื่องของกรรมและผลของกรรมมากขึ้นดังนั้นผู้ที่มีาศาสนาก็อย่างน้อยที่สุดจะมองเห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะพระผู้มีพระภาคทรงเป็น กรรมวาทีพระองค์เนี่ยกล่าวถึงเรื่องกรรมสัตว์จะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ที่กรรมแม้แต่เรื่องของกรรมเนี่ยสภาวะธรรมองค์ธรรมของเขาจริงๆได้แก่อะไรได้แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่รับรู้สีนันนันหันเจตนาในขณะที่จิตเรามีสีเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเราศึกษาคําสอนตัวเจตนาตัวนี้เนี่ยสมควรที่จะให้เราปฏิสนธิที่ไหนเมื่อตามองเห็นสีอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาลงรายละเอียดไปเรื่อยๆ เมื่อถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเราจะไม่มั่นคงในคําสอนเลยเราก็ออ ม, มาอุปมาเหมือนกับคนไปเื้อน้ําแข็งนะั่นนะทีแรกก็ได้น้ําแข็งหลอดมาเยอะเลยแหละหิวไปหิวมาเนี่ยเหลือแต่น้ำอ่ะหนักเท่าเก่านั่นแหละแต่ว่าน้ําแข็งเนี่ยหมดแล้วคนศึกษาคําสอนส่วนหนึ่งยุคนี้ที่เรารู้จักจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดเนี่ยที่พูดอะไรคิดอะไรห่างจากพระธรรมคําำคำสอน คิดเองเออเองออเองไปโดยที่ไม่ว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยมันเข้ากับพระธรรมหมวดไหนบ้างอะไรบ้างท่านห่างมากนี่ก็ทําให้มาสํานึกใหม่ว่าเอ๊ะเราตั้งจิตในการศึกษาเพื่ออะไรกันแน่แล้วก็นึกถึงข้อความในอลัลลัตทูปมสูตรสูตรที่อุปมาเหมือนจับงูพิษที่หางก็ทําให้นึกว่าเราต้องไม่จับงูพิษที่หางนะแล้วทีนี้เราจะทํายังไงจะศึกษาแล้วให้เอามาใช้ให้ได้ก็ทําใจใหม่ว่า เราจะศึกษาแบบนักเรียนเราไม่ศึกษาแบบเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรทั้งนั้นเราไม่นึกอย่างนี้ละนึกถึงว่าเราจะเป็นนักเรียนแล้วก็แม้แต่มาแสดงธรรมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักเรียนนี่ก็เป็นหลักสูตรอีกอย่างหนึ่งในการศึกษาพระธรรมอีกวิธีหนึ่งซึ่งครั้งก่อนศึกษาโดยการฟังแต่เนี้ก็มาศึกษามาเรียนรู้โดยการลองแสดงดูบ้างอ่ะก็อีกหลายไหนแล้วก็ การแสดงให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้ฐานะนึกว่าตัวเองเป็นอาจารย์อะไรนึกว่าเราสามารถที่จะช่วยอะไรให้คนอื่นเข้ า, ขาใจได้บ้างพอละอั้นถ้าหากว่าเป้าหมายของเรามาณนะถ้าขณะที่กล่าวธรรมะแล้วยมกุศลจิตเกิดขึ้นได้ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วส่วนว่าเมื่อกุศลจิตแล้วหลังจากนั้นไปก็อันนี้ศัตว์ทางหลายก็มีมีบุญมีกรรมเป็นของตัวเองเราไม่จะไม่คิดแทนว่าเมื่อคุณฟังธรรมะมวดนี้คุณจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ สมัยก่อนอแสดงทำร้ายแห่งเราก็โอ้โหจะพูดสี่ห้าก็จะให้โยมมีสี่ห้าเลยนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเขาก็บอกว่าชีวิตของเขากับนักบวชไม่เหมือนกันทีนี้ตอนหลังก็เอามาใหม่ทีนี้อาจารย์ท่านแนะนําว่าฝนมันตกเนี่ยมันไม่เคยสนใจนะว่าคนจะรองหรือไม่รองคนจะรับหรือไม่รับมันก็ทําหน้าที่ตกไปันการเจริญนี้ก็คือการเจริญกุศลธรรมอย่างหนึ่งของเรา มองการแสดงธรรมเป็นการเจริญกุศลธรรมเราแสดงธรรมชั่วโมงหนึ่งกุศ ล, ลจิตเราเกิดชั่วโมงหนึ่งเราก็เจริญเหตุแห่งความสุขเอาไว้แล้วละ่ะนั่นแหละกุศลให้ผลเป็นสุขแน่นอนคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดลเราก็มีหน้าที่เจริญกุศลทํำยังไงที่ว่าชีวิตของเราแต่ละขณะแต่ละขณะจะเป็นกุศลเราเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขของชีวิตเรามากมายนั่นแหละเพราะว่าชีวิตของเราเราเป็นผู้กําหนดเองตามแต่เจตนานั่นแหละ อทีนี้มาถึงเรื่องของสรารณะต่อไปพระพุทธเจ้านะเป็นสรารณะพระองค์ชื่อว่าเป็นสรารณะเพราะพระองค์เนี่ยกำจัดภัยของสาธังหลายให้หันเข้าหาประโยชน์พระธรรมชื่อว่าเป็นสรารณะเพราะกําจัดภัยของสาทั้งหลายโดยให้ข้ามพ้นกันดารและทําให้ได้รับความสบายใจพระสงฆ์ชื่อว่าเป็นสรารณะเพราะกําจัดภัยของสต์ทั้งหลายโดยการทําผู้บําเพ็ญบุญน้อยให้ได้รับผลภัยบุญ คือคนที่ทาบุญไม่มากนะักก็จะทำให้ท่านเหล่านั้นได้รับผลบุญมากนะักทีนี้ถ้าหากว่าในเรื่องว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านเป็นสารสนะของเราโดยฐานะที่ท่านเป็นนาบุญของเราโดยฐานะที่เป็นนาบุญของเราทำไมท่านจึงเป็นนาบุญของเรา คนอื่นๆก็สามารถที่จะรับทานทั่วไปได้ใช่ไหมอย่างข้าวน้ําของเราเนี่ยให้ใครๆก็ต้องการใะไม่ข้าวน้ําเพราะทุกคนต้องกินข้าวกินน้ําอยู่แล้วแต่ทําไมต้องเจาะจงไปที่พระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ท่านมีคุณธรรมคือความปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยปฏิบัติเพื่อรู้อริยมรรคอริยผลท่านเป็นบุคคลที่ห่างไกลาจากบาปอากุศล เมื่อท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ห่างไกลาจากบาปอากุศลการเจริญกุศลในท่านเหล่านั้นจึงเป็นกุศลที่มีผลมากมายมหาศาลหันพระสงค์นั้นจึงอุปมาท่านเหมือนกับเนื้อนาเนื้อนาของโลกแต่เป็นนาบุญันถ้าหากว่าผู้ที่เป็นชาวนาจะรู้ดีว่าถ้าหากว่านาเ น, นี่ยมีกรวดมีหินมีทรายมากนานั้นเนี่ยจะทาไม่ได้ผล หรือว่านาที่มันอยู่ที่ลุ่มจนเกินไปน้ำก็ท่วมอยู่ที่ดอนเกินไปก็ไม่มีน้ำเพาะปลูกก็ได้ผลน้อยนาคนอื่นเขาเพาะปลูกลงทุนไม่มากนักแต่ได้ผลมากมายมหาศาลแต่ถ้าหากว่าคนที่นาไม่ดีเนี่ยลงทุนมากมายมหาศาลแต่ได้ผลน้อยชั้นใดก็ดีนาบุญของโลกก็เหมือนกันถ้าอยู่ตรงนี้เรามองยังอาจจะมองไม่เห็นผลบุญของผลบา แต่ถ้าหากว่าอยู่ในเป็นเทวดาเนี่ยมันชัดมากในเรื่องผลบุญผลบาทังั้นการทำบุญที่ที่ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างอินทกะเทพบุตรกับอังกุระเทพบุตรมีความแตกต่างกันมากอีกคนหนึ่งเนี่ยตักบาตรทัพพีเดียวได้รับบุญมากมายมหาศาลอีกคนหนึ่งเนี่ยทำบุญอยู่หนึ่งมื่นปีตั้งเตาข้าวเนี่ยพ่อครัวเป็นพันๆคนเนี่ยนะห่างไกลเป็นยอดยดอ่ะ ก็บอกว่าบุญยังน้อยกว่าคนที่ตักบาทครั้งเดียวเพราะเนื้อนาที่แตกต่างกันเมื่อเทวดาเนี่ยเทวดาเขาจะมีสิ่งที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันก็คือเรื่องรัศมีเป็นต้นใครมีรัศมีมากคนนั้นเป็นใหญ่คนนั้นถือว่าคนมีบุญมากเกิดเกิดเกิดหลังเกิดก่อนไม่เป็นประมาณอยู่ที่ว่าใครมีรัศมีมาก มีผิวพันดีขึ้นมีบริวารมากมียศมากร่ำรวยมากอันนั้นจะเป็นตัววัดบุญของใครของใครก็เหมือนกับถ้าหากว่าทางโลกก็เอาที่ที่ยศใช่ัหมถ้าใครมียศสูงคนที่ยศต่ำถึงจะอายุมากก็ต้องทาความเคารพมันก็แล้วแต่แต่ยศบุญกุศลเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าในพบภูมิบางพบภูมิเนี่ยอยู่ด้วยบุญ อย่างเทวดาเนี่ยอยู่ด้วยผลของบุญอันบุญที่คนไปทำเมื่อเขาทำกับใครนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นตัววัดผลของเขาถ้าคนทำบุญกับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีคุณธรรมที่เรียกว่าไม่เป็นทักขินยะบุคคลเขาจะทำบุญเป็นพันปีก็ตามเป็นหมื่นปีก็ตามกับคนที่ทำกับทักขินยะบุคคลครั้งเดียวได้ผลมากกว่ากันก็เหมือนกับเราซื้อวิ่งสมมุตินะเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่นะ ลงทุนล้านหนึ่งเว่งเลขตัวเดียวกับลงทุนห้าพันซื้อรางวัลที่หนึ่งผลต่างกันไหมรางวัลที่หนึ่งต้นทุนห้าพันเนี่ยจะได้เท่าไหร่ <c oughs> รวยมากมายมหาศาลแต่ลงทุนล้านหนึ่งวิ่งเลขตัวเดียว <c oughs> บาทแล้วไม่กี่บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมยังมากก็ล้านหนึ่งก็ได้หกเจ็ดล้านใช่ไหมถ้าเป็นทางหวยนะแต่ถ้าเป็นรางวันที่หนึ่งนะลอตเตอรี่ชุดหนึ่งโอ้โหเป็นสิบสิบล้านแล้ว มีผลแตกต่างกันมากการทําบุญให้ทานก็เหมือนกันนาบุญเนี่ยถือว่าสําคัญมากการเพราะปลูกก็เหมือนกันผู้ที่ทําเกษตรน ะ, ะการเพราะปลูกคือพื้นที่ดินหรือหรือดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากสมัยก่อนนี้เขาเขาเพาะปลูกกันการอุปมาพระสงฆ์โดยฐานะเป็นนาบุญเนี่ยเขาจึงเข้าใจง่ายมากหรืออีกในหนึ่งอะมันเป็นถ้าหากว่าทําบุญกับนาบุญเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ทําธุรกิจได้อย่าง เรียกว่ามีความรู้มีความสามารถนะแค่เซ็นชื่ออย่างเดียวนี่ก็ได้รับเป็นล้านแล้วเ <c> ซ <oughs> ็นชื่อลงกระดาษใบเดียวแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยทาแทบเป็นแทบตายติดหนี้ทั้งหลายหมื่นใช่ไหมชาวนาทุกวันเนี่ยเขาทํานาทั้งปีทํานาเสร็จนะค่าปุ๋ยค่าอะไรหักไปเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยค่าแรงไม่ได้ติดหนี้เพิ่มอีกสักษาสี่ห้าพันั่นแหละเบ็ดเสร็จแล้วนะอะจะเป็นลักษณะา น, านั้นแต่อีกคนหนึ่งโอ้นั่งปายห้างเขียนชื่อได้อรวยแล้ว <c oughs> วิบวิบากต่างกันมากนะชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ตั้งหลายๆระดับเนี่ยจะทําให้มองเห็นว่าโอ้โหคนนี่มันมีความแตกต่างกันมากอันยศพนทหารกับพนเอกเนี่ยต่างกันเยอะมากมายมหาศาลนะการเป็นอยู่ฐานนะการเป็นอยู่ทุกอย่างเนี่ยแตกต่างกันมากมายมหาศาลสิ่งเหล่านี้เข้าก็เป็นคนเราก็เป็นคนทําไมจึงต่างกันเชื้อชาติวงตระกูลบอกมาจากตระกูลที่ต่างกันเอาแล้วทําไมคนนี้เลือกเกิดไม่ได้มาจากไหน สิ่งเหล่านั้นก็มาจากผลของของบุญนั่นแหละทีนี้บุญนั้นเนี่ยทำเท่ากันแต่ถ้าทำผิดที่ผิดตำแหน่งผลก็ย่อมแตกต่างกันยอมเอาข้าวเนี่ยมาหวานตรงนี้ดูว่าจะได้ข้าวสักสักเท่าไหร่แต่ถ้าไปหวานในนาที่ดีปุ๊บเนี่ยโหหวังเก็บเกี่ยวได้อย่างอย่างสบายฉะนั้นจะยกข้อความในอังกุระเปตตวัตุมาอ่านให้เราฟังว่าในความสาคัญของพระสงค์ที่เป็นนาบุญของโลก ในอดีตกาลเนี่ยสมัยก่อนนู้นสมัยที่คนมีอายุเป็นหมื่นปีนะมี ก, กษัตริย์11พระองค์มีพนางอัญชนะเทวีและน้องชายอีกสิพระองค์คือพระวาสุเทพพระเทพจันทเทพสุริยเทพอคิเทพวรุณเทพอัญชุนัปชุนะคตะบัณฑิตและอังกุระอาศัยคันของพนางเทวะคัภาผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้ามาหากังสะในอชิต ตันชนะนครซึ่งพระเจ้ากังสปกครองในอุตราประเทชนบทก็ที่อินเดียนั่นแหละเพราะอาศัยพระเจ้าอุปสาครผู้โอรสของพระเจ้ามหาสาครผู้เป็นใหญ่ในอุตรมธุระชนบทบรรดากษัตริย์เหล่านั้นกษัตริย์ผู้น้องชายชื่อว่าสวาสุเทพเป็นต้นใช้จักรเนี่ยปลงพระชนชีพของพระราชาทั้งหมด 63,000 นาพันนครทั่วชมพูทวีปปล่อยจักรเนี่ยจักรแบบมุนๆเยเนี่ยปล่อยให้ไปตัดคอคนอบางบางช่วงเนี่ยมันจะมีอาวุธชนิดหนึ่งที่มุนๆไปตัดคอคนถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกับอาวุธที่มันสามารถตั้งเป้าได้ว่าไปยิงใครยิงใครยิงที่ไหนตำแหน่งไหนอะ่ะก็คล้ายๆกันสมัยก่อนเขาก็ทำได้แล้วก็ประทรับอยู่ในทวาราวดีนครแบ่งรัฐคือแบ่งแบ่งชมพูทวีแปแบ่งประเทศอินเดียเนี่ยนะ เป็นสิบส่วนด้วยกันแต่ก็ไม่ได้นึกถึงพนางอัญชนาเทวีผู้เป็นเชิดภ า, าคินีคือพี่น้อง11บคนใช่ไหมพอได้แผ่นดินใหญ่โตทั้งหมดแบ่งแผ่นดินออกเป็นสิบส่วนลืมพี่สาวแต่เมื่อระลึกถึงได้ก็กล่าวว่าเราจะมาแบ่งออกเป็น11อส่วนทีนี้น้องชายคนสุดท้องชื่อว่าอังกุระน้องชายผู้เป็นราชโอรสเนี่ยน้องชายคนเล็กเนี่ยของกษัตริย์เหล่านั้นก็บอกว่า ท่านจงแบ่งส่วนของหม่อมชันให้แก่พระเชษฐาภคินีเถิดยกส่วนของหม่อมชันให้พี่สาวไปหม่อมชันจะทำการค้าขายเลี้ยงชีวิตท่านทั้งหลายจงสละสวยในชนบทของตนของตนให้แก่หม่อมชันะนะปกครองบ้านเมืองกันแล้วกันแต่ว่าต้องแบ่งภาษีให้นะกินสวยอย่างเดียวแต่ไม่ต้องปกครองอย่างเงี้ยหัวดีน่าดูเลยนะ